วันนี้พวกเรามาวัดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันเหมือนกับการที่เราไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปรับยามาเพื่อมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของเรา เวลาร่างกายของเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอไปหายาเพราะหมอกับยาจะช่วยเรารักษาร่างกายของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้แันใดใจของเราเวลาไม่สบายก็ต้องการหมอต้องการยาเหมือนกัน ยาและหมอที่จะรักษาโรคใจของเราได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้เปรียบเหมือนหมอส่วนพระธรรมคําสอนเปรียบเหมือนอยาที่จะรักษาโรคใจคือความไม่สบายใจต่างๆให้หาย ไปจากใจได้เราจึงต้องมาวัดกันเพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกและเป็นที่พวกเราจะได้รับพระธรรมคำสอนที่เป็นยารักษาโรคนี้รักษาโรคใจให้เราเอาไปรักษา เมื่อเราได้รับยาจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอรหันตสาว ก, กด็ดีเราก็จะมีความมั่นใจมั่นใจกว่าการที่ไปรับยาจากผู้ที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เป็นพระอรหันตสาวกเหมือนกับการไปซื้อยาตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัช ไม่มีหมอเป็นผู้จ่ายยาให้เราก็ไม่แน่ใจว่ายาที่เขาจ่ายให้เราจะรักษาโรคของเราให้หายได้หรือไม่หรืออาจจะทำให้แย่ไปกว่าเดิมเพราะผู้ที่จ่ายยาให้ไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้เป็นเพสัช แม้แต่เป็นเภสัชบางทีก็ยังไม่มั่นใจเท่ากับการที่ได้รับจาจากหมอเพราะหมอเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างแน่นอนส่วนผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็อาจจะไม่รู้จักว่าควรจะให้ยาชนิดไหนแก่คนไข้เพื่อที่จะรักษาให้ โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้อย่างแน่นอนการเข้าวัดก็เพื่อเข้าหาผู้รู้ผู้ที่ได้ศึกษาและได้รักษาโรคใจของตนเองให้หายได้แล้วแล้วจึงนำเอามาสอนผู้อื่นอีกต่อหนึ่ง ถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอาหารหันตสาวกเราก็จะได้พบกับหมอที่แท้จริงเพราะท่านได้รักษาโรคของท่านให้หายขาดแล้วไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดีท่านรู้จักวิธีรักษาโรคใจให้หายขาด ให้หายได้อย่างถาวรเพราะท่านได้รักษาโรคใจของท่านแล้วท่านได้หายขาดจากโรคใจแล้วท่านมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ์ท่านจึงสามารถที่จะเอามาสอนบอกผู้ที่ยังไม่รู้ให้นำเอาไปปฏิบัติเอาไปรักษาใจของตน จนหายขาดได้อย่างแท้จริงการมาวัดจึงเป็นส ok ิ่งที่ควรเหมือนกับการไปหาหมอไปหาโรงพยาบาลเพราะที่นั่นจะเป็นที่เราจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายของเราให้หายได้ถ้าไปที่อื่น ไปรักษานอกโรงพยาบาลไปรักษาเองไปซื้อยามารับประทานเองโลกก็อาจจะไม่หายหรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะจะจะรุนแรงขึ้นก็ได้เพราะขาดวิธีรักษาอันถูกต้องนั่นเองการที่เรามาวัดและเรามาศึกษาจากผู้รู้ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอาจารย์ตถาคดีเราก็จะได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องแม่นยำที่จะรักษาโลกของความไม่สบายใจของพวกเราให้หายได้อย่างแน่นอนและถาวนเราจึงเข้าหา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่วัดกันเพราะที่วดัดเราก็จะได้พบกับสมัยนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จากเราไปแล้วเราก็จะพบกับพระอาลัยตสาวกเราก็จะได้ยินได้ฟังคําสอนที่ท่านได้ใช้ในการปฏิบัติตัวของท่านเองรักษาโรคใจของท่านเองจนหายขาดแล้ว ท่านรู้ท่านมีความมั่นใจอย่างร้อยเอร์ซว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่จะรักษาโรคใจของของเราได้ถ้าเราได้พบกับพระอรันตสาวกได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านก็เหมือนกับการที่เราได้พบหมอที่รู้จักวิธีรักษาโรคและ ได้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้ผู้อื่นได้หายไปเป็นจำนวนมากแล้วนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เปรียบเหมือนกับหมอเปรียบเหมือนกับยาที่จะรักษาโรคใจของพวกเราให้หายไปหมดขณะนี้พวกเรายังมีความไม่สบายใจต่างๆกันอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรมากมายกายกองแต่สิ่งที่เรามีนี้เช่นเงินทองเช่นตำแหน่งอะไรต่างๆเช่นความสุขที่เราหามาจากทางตาหูจะหูจมูกบิ้นกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่สามารถรักษาความไม่สบายใจของเราให้หายไปได้อย่าง แท้จริงและอย่างถาวรจะรักษาได้ก็เป็นช่วระยะเวลาสั้นๆเวลาที่เราไม่สบายใจเราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกริ้งกายกันความไม่สบายใจก็หายไปชั่วคราวเพราะเราได้รับความสุขจากการที่เราได้ไปสัมผัสกับลูกเสียงกินรถต่างๆ แต่พอเรากลับมาบ้านเราก็จะกลับมาเจอความไม่สบายใจเหมือนเดิมความไม่สบายใจนี้เป็นเหมือนเงาติดตัวเรามาตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันเรามีความไม่สบายใจเป็นระยะระยะเกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเพราเราไม่ได้มีวิธีเราไม่รู้จักวิธี รักษาความไม่สบายใจนี้ให้หายไปได้อย่างเด็ดขาดอย่างราบคาบพราะเราไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะสามารถที่จะรักษาความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นแทนที่เราจะไป ดับความไม่สบายใจด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกอินกกยมันก็เป็นการดับเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วไม่นานมันความไม่สบายใจก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าเราต้องการที่จะดับความไม่สบายใจให้หมดไปอย่างถาวรเราก็ต้องรักษาความไม่สบายใจนี้ด้วย ด้วยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติที่พระอาลันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้บำเพ็ญจนทำให้ใจของท่านลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเราน้อมเอาคำสอนที่ท่านสอนนี้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติ ก็เหมือนกับการที่เราไปรับยาจากหมอเมื่อเรารับยามาจากหมอแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องรับประทานยาที่หมอให้เรามาถ้าเราไม่รับประทานยายาก็จะไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หายไปได้ถ้าเราไม่รับ เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถรักษาความไม่สบายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หายไปได้เราจะต้องน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติ เมื่อเราได้ปฏิบัติก็เหมือนกับเราได้รับประทานยาเมื่อยาได้เข้าสู่ร่างกายยาก็จะสามารถทำหน้าที่ของยาได้คือไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายให้หายไปได้เมื่อเรานำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราเราก็จะสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจาก ใจของเราได้นี่คือวิธีที่เราจะรักษาโรคใจให้หายไปหมดจากใจของเราวิธีที่เราจะมีที่พึ่งทางใจที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ อย่างที่ตอนนี้พวกเรามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจกันกับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติของเราเพราะพวกเรายังไม่ได้รับประทานยาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้พวกเรามารับประทานกันนั่นเองเรายัางรับประทานไม่ครบอาจจะรับประทานบ้าง แต่ยังรับประทานไม่ตามทีท่ที่หมอได้กำหนดไว้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้รับประทานบ้างแต่เพียงเล็กน้อยอย่ายงยังไม่มีความสามารถที่จะยับยั้งดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้อาจจะบรรเทาความทุกข์ให้เบาบางลงไปได้บ้างแต่ยังไม่หมดไป เพราะเรายัางรับประทานยาไม่ครบตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันเสียงที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติหรือยาที่ทรงสอนให้พวกเรารับประทานก็คือการทําทานการรักษาศีลการบําเพ็ญจิตตภาวานานี่เองนี่เป็ญยาสามชนิดด้วยกันที่เราจะต้องรับประทานให้ครบทั้งหมด ถ้าเรารับประทานเพียงยาบางชนิดอย่างไม่รับประทานให้ครบทั้งสามชนิดการรักษาความไม่สบายใจของเราก็จะไม่สำเร็จอาจจะทำให้ความไม่สบายใจเบาบางลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความไม่สบายใจให้หมดไปจากใจได้ถ้าอยากจะให้ความไม่สบายใจนี้ หมดไปจากใจเราก็ต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสามอย่างคือเราต้องทำทานเราต้องรักษาศีลและเราต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาและการการปฏิบัติด้วยการรับประทานยานี้ก็ต้องเป็นไปตามปริมาณและจัเวลาที่หมอสั่งถ้าเรารับประทานไม่ครบตามจำนวน ไม่ตามเวลาก็ยังไม่ได้ก็ยายาก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่รักษาโรคความไม่สบายใจของเราให้หายหมดไปได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องศึกษาเวลาที่เรารับยามาก็คือวิธีรับประทานยาว่าจะต้องรับประทานมากน้อยเพียงไรและจะต้องรับประทานเวลาไหนบ้าง ถึงจะทำให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บของใจนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราทำทาน<ม>ก็คือให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเลยถ้า เราอยากจะรักษาโรคใจของเราให้หายขาดเนเราก็ต้องอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือในการมารักษาโรคความไม่สบายใจของพวกเราถ้าจะมีเงินทองก็มีไว้สำหรับใช้ในสิ่งที่จำเป็นเช่นใช้กับการดูแลรักษาร่างกายที่เป็นสิ่งที่เรายังต้องอาศัยอยู่ ในการที่เราจะนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของพวกเราเรายังต้องมีร่างกายเช่นต้องมีร่างกายไว้ฟังเทศฟังธรรมมีร่างกายไว้รักษาศีลมีร่างกายไว้เดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้เราจึงต้องดูแลรักษาร่างกายของเรา แล้ถ้าเรามีเงินทองก็เาให้ใช้เงินทองไปในส่วนนี้ไปในการดูแลเรื่องดูร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขแต่ไม่ควรเอาเงินทองนี้ไปดับความทุกข์ใจเพราะดับไม่ได้อย่างแท้จริงดับได้เป็นครั้งเป็นคราวเป็นเวลาอันสั้นๆแล้วเดี๋ยวความทุกข์ใจก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ เรานาใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่นไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานแต่พอเวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเรากลับมาอยู่บ้านกลับมาทำงาน ความสุขความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ดังนั้นวิธีที่เราใช้เงินทองไปซื้อความสุขมาดับความทุกข์ใจจึงไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะเป็นวิธีที่จะสร้างความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นไปเพราะเมื่อเราใช้วิธีนี้เราก็ต้องใช้เงินทองมากเราก็ต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทอง เพื่อที่จะได้เอามาใช้ดับความไม่สบายใจของเราที่ดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวพอเงินทองหมดความทุกข์ใจก็จะกลับขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเราไม่สามารถหาเงินทองมาดับได้ความทุกข์ใจก็ยิงก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปใหญ่ดังนั้นนี่ไม่ใช่วิธีที่เราจะใช้ในการดับความทุกข์ใจของเรา ด้วยเงินทองเราควรที่จะเอาเงินทองนี้มาดับความทุกข์ใจของเราด้วยการเอามาทำบุญทาทานเพราะการทำบุญทำทานนี้จะทําให้ใจของเรามีความสุขที่แท้จริงมีความสุขใจมีความอิ่มใจ <c oughs> แล้วก็จะทําให้เร า, เาไม่ต้องไปใช้เงินไปซื้อของ ไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกาย mm hmm. เวลาที่เราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อน mm hmm. เพราะเรามีความสุขจากการที่เราได้ <c oughs> ทําบุญทําทานมาการทําบุญทําทานจะทําให้เราหยุดใช้เงินใช้ทองในการไปซื้อความสุขต่างๆได้เวลาเราไม่มีเงินทองใช้เราก็จะไม่เดือดร้อนอ เพราะเราจะได้เราจะมีเวลาเราจะมีเวลาที่จะไปสร้างวิธีที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้อย่างเต็มที่ต่อไปเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาซื้อความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ใจของเราเราก็จะได้ มีเวลาไปรักษาศีลไปบปําเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองยังต้องใช้เงินทองในการมาดับความทุกข์ใจต่างๆของเราเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปอยู่วัดไปรักษาศีลไปบปําเพ็ญจิตตภาวนากันเพราะเวลาที่เราทํางานมันก็จะ ต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าหยุดแล้วมันก็จะทำให้รายได้นี้หดไปหรืออาจจะทำให้ถึงกับขาดทุนได้ถ้าเราทำแบบไม่ต่อเนื่องดังนั้นถ้าเราอยากจะมีเวลาต่อการที่เราจะมาปฏิบัติคือรับยารับประทานยาที่ พระเจ้ามอบให้เราให้ครบเราก็ต้องขั้นต้นก็ทําบุญทําทานสละเงินทองที่เราจะเอาไปซื้อของต่างๆมาดับความทุกข์ใจเอาไปทําบุญทําทานแทนแล้วมันจะดับความทุกข์ใจได้อย่างถาวรกว่าการที่เราจะใช้เงินทองไปดับความทุกข์ใจด้วยการไปซื้ออะไรต่างๆมา พอเราทำบุญแล้วใจเราก็จะมีความสงบมีความสุขใจขึ้นมาแล้วทําให้เราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินทองมาทําบุญอยู่เรื่อยๆที่ให้ทําบุญนี้ก็หมายความว่าเงินทองที่เรามีอยู่แล้วที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอามาใช้เพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราเราก็เอามาทําบุญอย่าเอาไปซื้อความสุขต่างๆ พราะการไปซื้อความสุขต่างๆเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดจะทําให้ใจของเราหิวอยู่เรื่อยๆอยากอยู่เรื่อยๆพอหิวพออยากขึ้นมาก็จะเกิดความไม่สบายใจต่างๆตามมาแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อยาเสพติดนี้มาทําบุญก็เป็นเหมือนกับการมาซื้ออาหารให้กับใจของเราเวลาจะทำบุญใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความพอ จะไม่หิวไม่อยากกับการที่จะไปเที่ยวไปซื้อของต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเราได้ความสุขที่ดีกว่าคือความสุขจากการทำบุญทำทานด้วยเงินทองของเราที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้อันนี้เราก็เอาไปทาบุญส่วนที่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็ให้เก็บเอาไว้เพียงแต่ว่าอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเท่านั้นเอง ก็คือไปซื้อยาเสพติดมาให้กับใจไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลล่นกายถ้าจะซื้ออะไรก็ให้ซื้ออาหารมาให้กับใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทาทานเราจะทำให้เราไม่ต้องไปเดินวนหาเงินหาทองมาซื้อความสุขต่างๆอีกต่อไปเราก็จะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปบำเพ็ญจิตตภาวนา ที่เป็นยาที่สำคัญที่เรายัางจะต้องรับประทานกันนอกจากการทำทานแล้วเรายัางต้องมารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็จะได้มาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เพราะถ้าเราไม่มีศีลนี้เราก็จะยังไม่สามารถที่จะ <c oughs> บำเพ็ญจิตตภาวนาได้เพราะศีลนี้จะเป็นเหมือนกับรัว้วหรือกาแพง ที่จะกั้นไม่ให้ใจของเรานั้นออกไปทำอะไรต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจคือการออกไปหายาเสพติดนั่นเองเช่นถ้าเราถือศีลแปดนี้ใจก็จะไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่แหละเป็นความสุขแบบยาเสพติดเพราะเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานจึงต้องสร้างกำแพงการไม่ให้ใจออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกำแพงนี้ก็คือศีนิแปดหรือสีลิสิบสีนิสองรอยี่สิบเจ็ดนี่เองที่จะกั้นไม่ให้ใจไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่ใจจะได้มีเวลามา หาความสุขจากการมาบําเพ็ญจิตตภาวนาทําใจให้สงบผู้ที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาให้ได้ผลจึงจําเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดกันรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบหรือรักษาศีลสองรอยี่สบเจ็ดเพราะนี่จะเป็นกําแพงที่จะกั้นไม่ให้ใจออกไปหายาเสพติดนเสพ ให้หายาที่แท้จริงยาที่แท้จริงที่จะรักษาความไม่สบายใจของเราก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความทุกข์ใจต่างๆก็จะหยุดไปแล้วก็จะทำให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องมีอะไรมา ให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่มีความทุกข์กันความทุกข์ของพวกเราเกิดจากการที่เรายัางไปหาบรยุทธ์ไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานั่นเองเช่นเราอาศัยร่างกายให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกา ย, ากายตายเราก็จะไม่สบายใจ เพราะเราไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายนั่นเองเพราะเวลาร่างกายเป็นอะไรไปแล้วเราก็จะไม่สามารถหาความสุขมาดับความทุกข์ใจของเราได้แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายมาดับความไม่สบายใจเพราะความสงบนี้ดับความไม่สบายใจได้แล้วงนั้นเราจรึงต้อง มาบำเพ็ญกันบำเพ็ญจิตตภาวนากันมารักษาศีลของนักบวชกันคือศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองยกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับความทุกข์ใจเพราะมันไม่ได้เป็นวิธีดับที่แท้จริงแต่เป็นวิธีเพิ่มความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เราจึงต้องหักห้ามจิตใจของเราอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเช่นศีลแปดนี้ก็จะห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับใครกับผู้อื่นไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ควรจะรับประทาน ออถ้ารับประทานก็เป็นการรับประทานตามความอยากเสียมากกว่ารับประทานเพื่อให้เกิดความสุขจากการรับประทานซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบาเพญจจ็ญกิจต่อภาวนาข้อหนึ่งก็จะเสียเวลาเพราะว่าจะทำให้ต้องมารอเวลารับประทานอาหารเย็นก่อนช่วงเวลาระหว่างเที่ยงถึงเย็นก็ก็จะภาวนาแบบไม่ต่อเนื่องรับ ภาวนาได้บ้างเดี๋ยวก็ต้องหยุดมารับประทานอาหารแล้วพอรับประทานอาหารแล้วก็จะเกิดอาการง่วงนอนขึ้นมาเกิดอาการเกลียดค้านขึ้นมาอยากจะหลับอยากจะนอนไม่อยากจะภาวนาจึงจำเป็นที่จะต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะจะทำให้หลังจากที่เรารับประทานอาหารเที่ยงวันเสร็จแล้วเราก็จะได้มีเวลา บำเพ็ญภาวนาได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเวลาหลับเลยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นไม่มีการรับประทานอาหารมาขวางกัน้นมาเป็นอุปสรรคทําให้เราเกิดอาการง่วงเหงาเหานอนต่างๆขึ้นมานี่คือเป็นการเอาเวลาต่างๆที่เราเอาไปใช้ในทางที่ผิดมาใช้กับในทางที่ถูกแทนที่จะเอา เวลาไปหาความสุขทางร่างกายให้เราเอาเวลามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจะดีกว่าแล้วเราต้องการเวลามากเพราะการปฏิบัติการที่จะทำให้ใจของเราสงบนี้จะต้องใช้เวลามากและจะต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไม่ได้ภาวนาใจของเราก็จะไปกว้านเอาความทุกข์ต่างๆเข้ามา ด้วยการคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราภาวนาเราก็จะคอยควบคุมใจของเราไม่ให้ไปเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาสู่ใจเอามาสร้างความวุ่นวายสร้างความพุ่งซ่านให้แก่ใจของเรานี่คือเรื่องของหน้าที่ของการรักษาศีลมีไว้เพื่อที่จะดึงให้ใจของเราไม่ออกไป หาเรื่องราววุ่นวายต่างๆท า, างตาหูจมูกลิ้นกายสินข้อที่หกก็ห้ามแม่เรารับประทานอาหารหลังจากเที่ยมวันไปแล้วสินข้อที่เจ็ดก็ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากพวกมหโหรสพและพวกบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไปดูภาพปยนตร์ไปร้องนําทําเพลง ไปแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่วิจิตพิสดารแต่งหน้าทาปากทำเเผ า, าทำผมอะไรต่างๆก็จะเสียเวลาไปมากแล้วก็จะไม่มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนากันแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปด้วยการไม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะนอนบนฟูกหนาๆมันจะสบายจะนอนมากเกินความต้องการของร่างกาย ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะลุกขึ้นมาจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันนอนไม่สบายนี่คือหน้าที่ของศีลแปดเป็นการสกัดกาการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการบาเพ็ญจิตตภาวนามาทำใจของเราให้สงบ เมื่อเรามีเวลามาบำเพ็ญสิ่งที่เราต้องบำเพ็ญสิ่งแรกก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิถ้าใจไม่มีสตินี้นั่งสมาธิไปนานเท่าไหร่ใจก็จะไม่มีวันสงบได้เพราะใจจะคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรมายับยั้งมาหยุดความคิดได้นอกจากสติ เราจึงต้องสร้างสติขึ้นมาถ้าเรานั่งแล้วไม่สงบก็แสดงว่าเราไม่มี ส, สติกันนั่งแล้วใจก็ลอยไปลอยมาคิดถึงเรื่องนั้นบ้างคิดถึงเรื่องนี้บ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างถ้านั่งคิดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิใจจะต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวเช่อนอยู่กับลมหายใจเข้าออก อย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้การที่ใจจะอยู่กับเรื่องเดียวได้เราก็ต้องฝึกหัดใจให้อยู่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้เราฝึกตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอเราเตื่นขึ้นมานี้เราต้องมีอะไรควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียว ให้อยู่กับพุทธโธก็ได้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายก็ได้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดจริงๆก็คิดได้คิดเสร็จแล้วก็ให้หยุดคิดแล้วก็กลับมาอยู่ที่พุทธโธพุทธโธต่อไปหรือกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเราฝึกทาอย่างนี้ตั้งแต่เติ่นขึ้นมา ใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เวลาที่เรานั่งสมาธิจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งได้สักแต่วรู้ได้เป็นอุเบกขาได้เป็นสุขอย่างยิ่งได้ <c oughs> เกิดจากกำลังของสติที่จะดึงใจให้เข้าสู่ข้างใน <c oughs> ถ้าไม่มีสติกิเลสตัณหาความอยากต่างๆก็จะผลักดันใจให้ไปหาความ หาสิ่งต่างๆภายนอกใจไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสใจของเราที่คิดกันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดกับเรื่องอะไรหรอกก็คิดอยู่กับเรื่องลาบยศสรรเสริญคิดอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เองคิดแล้วก็ทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปเดิน หาสิ่งที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็อยากจะได้มากขึ้นไปแล้วเวลาเสียที่สิ่งที่ได้มาก็เศร้าโศกเสียใจเป็นการเดินหาความเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะขาดสติคอยควบคุมความคิดต่างๆพอให้ความคิดคิดไปตามความอยากพอเกิดความอยากก็เกิดจากความความไม่สบายใจอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องไปทำตามความอยากแล้วพอทำแล้วก็อยากทำอีกไปเรื่อยๆพอไม่ได้ทำก็จะทุกข์อีกหรือถ้าได้สิ่งที่อยากได้มาพอเสียสิ่งที่อยากได้ไปก็จะทุกข์อีกอันนี้เกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบได้เพราะเราไม่มีสติกัน ม, มีก็มีไม่มากไม่มากพอที่จะหยุดความคิดได้เต็มที่ มีสติเพียงแต่พอประคับประคองให้อยู่ตามแบบคนธรรมดาอยู่กันก็คือให้มีศีลห้าให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายของกฎระเบียบของบ้านเมืองของสังคมเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากที่จะที่อยากจะได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย การที่เร า, า ก, การที่เราจะมีสติได้มากไปกว่านี้เราจำเป็นที่จะต้องคอยควบคุมใจตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยใช้พุโทโธดึงใจไว้ก็ได้ใช้การเฝ้าดูการกระทาต่างๆของร่างกายเป็นการดึงใจไว้ก็ได้ถ้าเราสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะไม่คิดถึงเรื่องต่างๆแล้วความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมา พราะความอยากนี้เกิดจากความคิดของเราคิดถึงอะไรก็จะเกิดความอยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นทันทีอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ใจเราสงบเวลาที่เรานั่งสมาธิกันก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนใจไม่เผลอไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายไป อันนี้ไม่ขัดกับการดำรงชีวิตตามปกติเราสามารถดำรงชีวิตตามปกติได้การเจริญสตินี้ไม่ไม่ขัดไม่ห้ามการกระทาอะไรต่างๆเราทำได้เรามีหน้าที่การงานต้องทำอะไรเราก็ทำไปแต่ขอให้เราทำด้วยการมีสติอย่าทำไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ทให้จิตอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ พอเวลาที่เรานั่งสมาธิจิตจะได้ไม่ลอยไปที่อื่นจิตก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดให้จิตให้จิตผูกไว้เพราะถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งเราก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้เหมือนกับเรือถ้าเราต้องการที่จะจอดเรืออยู่กับท่าเราก็ต้องมีเชือกผูกเรือไว้กับท่าหรือท่ดสมอเรือ ถ้าเราไม่มีอะไรผูกเรือไว้เดี๋ยวเรือมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำมันก็จะไม่อยู่ที่เราต้องการให้มันอยู่อันในใจของเราถ้าเราต้องการให้ใจเรานิ่งใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งเราก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ใจไหลไปกับความคิดต่างๆสิ่งที่จะผูกใจไว้ก็คือสตินี่ เ, เวลานั่งเราก็ต้องมีอะไรคอยกากับใจผูกใจไว้ ไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจเพ้อฝันไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะเกิดอาการใะรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจซึ่งไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิกันการนั่งสมาธินี้เราต้องการให้จิต ด, ดึงให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้สักเวรุให้เป็นอุเบกขาให้มีความสุขจากความสงบนี้อันนี้คือ เป้าหมายของการนั่งสมาธิยันจะได้ผลก็จะต้องมีสติคอยควบคุมใจคอยกํากับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆการที่จะไม่คิดได้ก็ต้องทําตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาวันวันหนึน่งนี้เราคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดมากมา ย, ก, ายก่ายกองเราสามารถที่จะดํำรงชีวิตของเรา อย่างปกติได้โดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆอย่างที่เราคิดกันเรื่องราวที่เราคิดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจกันทำให้ใจเรากังวลกวายิตกกังวลห่วงใยกันไปปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เรามาหยุดความคิดเหล่านี้ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้มี <c oughs> กําลังควบคุมใจให้เข้าสู่สมาธิได้เวลาที่เรานั่งสมาธิกัน นี่คือขั้นที่หนึ่งของการบาเพ็ญการบาเพ็ญจิตตภาวนาก็คือสร้างความสุขของใจให้เกิดขึ้นด้วยการนั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาสักแต่วารุแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วจะทําให้เราเนี้ไม่ต้องไปหาความสุขทางอื่นได้เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าขึ้นอยู่ในใจของเรา เกิดจากการทําใจของเราให้สงบนพอเราได้ความสุขนี้แล้วขั้นที่สองก็เราต้องรักษาความสุขนี้ให้อยู่ต่อไปเพราะว่าเวลาอยู่ในสมาธินี้เราก็อยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นเราก็ต้องออกจากสมาธิมาเพราะร่างกายยังยังต้องการการดูแลอยู่ร่างกายยังต้องการดื่มน้ําต้องการเข้าห้องน้ําต้องการรับประทาน อาหารอยู่เราก็ต้องออกมาจากสมาธิออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ควบคุมใจด้วยสติหรือควบคุมใจด้วยปัญญาเดี๋ยวความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปแต่ถ้าเราใช้สติควบคุมเราก็ยังพอที่จะรักษาให้ความสงบอยู่ได้ต่อไปเช่นพอออกจากสมาธิมาเราก็จเจลานสติต่อไป พุทโธต่อไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดต่างๆให้เกิดความอยากขึ้นมาหรือถ้าเราจะใช้ขั้นที่สองก็คือใช้ปัญญามากำจัดความคิดที่คิดไปในทางความอยากเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าการไปทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์เนี่ เพราะเป็นเหมือนกับการไปหายาเสพติดเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่เมื่อเสพแล้วก็จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆและเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็จะทุกข์ขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะสิ่งที่เราได้มาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร ไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราไปตลอดนั่นเองนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจเพื่อที่จะรังรับความอยากต่างๆที่มาทำลายความสงบที่เราได้รับจากการนั่งสมาธิถ้าเรามีปัญญาแล้วสามารถถอดถอนความอยากให้ออกไปจากใจได้ความสงบที่เราได้จากสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิ จะมีสมาธิโดยการที่เราต้องไม่ต้องหลับตาไม่ต้องนั่งเฉยเฉยใจจะสงบจะเฉยด้วยการกําจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาภายในใจของเราด้วยปัญญาด้วยการเห็นโทษของการทำตามความอยากว่านาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขถ้าเราทำอย่างนี้ได้ต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะถูกทาลายไปหมดเราจะไม่มีความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสเราจะไม่มีความอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรเราจะไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้อะไรใจของเราจะเฉยเฉยมีอะไรก็มีได้เป็นอะไรก็เป็นได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไดเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่เดือดร้อนนี่คือสภาวะของใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์จะเป็นอย่างนี้จะไม่วุ่นวายไปกับ เหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรก็ไม่มากระทบกระเทือนใจใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์กับบุคคลกับสิ่งต่างๆไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเขาจะดีหรือเขาจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาใจไม่ไปรับมาแบกมาทุกข์ใจเป็นเหมือนใบบัว เวลาหยดน้ำลงไปบนใบบัวมันจะไม่ซึมกันมันจะไม่ดูดเข้าหากันน้ำก็จะเป็นน้าก็จะเป็นน้าก็จะเล้งอยู่บนใบบัวเพราะใบบัวนี้มีมีอะไรเคลือบกันไม่ให้มันดูดเอาน้ำเข้าไปไม่เหมือนกับน้ำกับกระดาษซึมนี่กระดาษทับนี่เวลาเราหยดน้ำลงไปบนกระดาษซับนี่มันจะถูกกระดาษซับนี้ดูดไปหมดเลย นี่คือใจของผู้ที่มีกิเลสมีตัณหาเวลาสัมผัสกับไรนี้จะดูดเข้าไปในใจเลยจะทุกข์ไปกับมันทันทีจะสุขไปกับมันทันทีเวลาสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะมีกิเลสตัณหาเป็นตัวดูดเข้าไปแต่ถ้าได้กำจัดกิเลสตัณหาหมดไปจากใจแล้วจะไม่มีตัวดูดเวลาสัมผัสรับรู้ก็จะสักแต่ว่ารู้เท่านั้น จะไม่มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นจะไม่รักไม่ชังจะไม่กลัวไม่หลงกับเหตุการณ์ต่างๆใจก็เลยไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่คิดไม่ทุกข์กับบุคคลต่างๆไม่ทุกข์กับร่างกายของตนเองร่างกายของตนเองจะเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์เพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นนี่คือวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจให้กับใจของพวกเราสร้างด้วยการ ศึกษาจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกดูวิธีการปฏิบัติของท่านเอามาเป็นตัวอย่างท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามท่านแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะได้ที่พึ่งเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกัน สุดพ้นด้วยการศึกษาและการปฏิบัตินี่เองศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อศึกษาแล้วก็นำออกไปปฏิบัติท่านสอนให้ทาทานเราก็ทาทานกันสอนให้รักษาศีลเราก็รักษาศีลกันสอนให้ภาวนาสอนให้เจริญสติเราก็เจริญสติกันนั่งสมาธิกันพอได้สมาธิแล้วเราก็รักษาสมาธิรักษาความสงบนี้ด้วยปัญญาต่อไป การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเป็นทุกข์เหมการไปอยากได้สิ่งต่างๆมานี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุขเพราะสิ่งต่างๆนี้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราเขาจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือการ สร้างความสร้างความสุขดับความทุกข์สร้างที่พึ่งทางใจด้วยการยึดด้วยการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสอนเราก็จะได้ผลอย่างเดียวกันที่ท่านได้รับไม่มีอะไรแตกต่างกันการเวลานี้ไม่เกี่ยวไม่มาทาลายความจริงอันนี้ ความจริงก็คือการปฏิบัติกับผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินี่อันนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปกี่หมื่นปีกี่ล้านปีกี่แสนปีแม้แต่เวลาที่มีพระพุทธเจ้ารูปใหม่มาตัดสรุมาสอนพระธรรมคาสอนก็จะสอนความจริงอันนี้เหมือนกันจะสอนให้เราทำทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนา แล้วพอเราปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้รับมาเมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วเรื่องของเหตุและผลนี้ไม่มีวันเสื่อมไปกับการเวลาท่านถึงเรียกว่าอากาลิโกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับยารักษาโรคทางร่างกายที่มีวันเสื่อมได้ เช่นสลากยานี้เขาจะเขียนไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้เพราะถ้าหลังจากนั้นแล้วมันจะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเต็มที่นั่นเองแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นของที่ไม่มีวันเสื่อมในประสิทธิภาพสามารถรักษาโรคใจให้หายขาดได้ทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นพวกเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เสื่อมไปกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ไม่เสื่อมเพราะมีผู้ที่นําเอามาใช้และได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาหลังจากที่พพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วพวกเราก็ยังมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะเป็นผู้ที่มายืนยันมามา แสดงให้เราเห็นว่าธรรมของพระธเจ้านี้ไม่เป็นไม่ไร้ประสิทธิภาพไม่ไร้ประสิทธิผลสิ่งที่เราต้องทํางทก็คือรับประทานยานี้เท่านั้นเองรับประทานด้วยการปฏิบัติปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 อย่างนั้นอยากจะถามอะไรก็เขอเฉิญถามช่วงนี้ได้ถ้ายังไม่มีคําถามก็จะให้ทางพิธีกรนําเอาคําถามจากทางบ้านมาถามก่อนคําถามจากทางบ้านจากโยมต้อยโยมไม่เห็นต้นจิตบ่อยเหมือนปลายจิตพอได้อ่านเรื่องในหลวงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโย ตอนหนึ่งหลวงพ่ออธิบายถีติกับภูตังอย่างละเอียดเมื่อโยมน้อมมาภาวนาตลอดเวลาช่วงหนึ่งเห็นสภาวะเกิดดับซ้ำๆกันสามครั้งชัดเจนขนาดลืมตาตื่นคล้ายกับเมื่อหลายปีก่อนที่เห็นในสมาธิแค่สองครั้งตอนนั้นจิตถามว่าโซวอ n แอดวอสเน x กแต่คราวนี้จิตมีความเข้าใจตามมาว่า นี่เองคือถีติภูตังใจสงบแล้วเห็นสิ่งใดๆเกิดแล้วสลายไปในที่สุดเราต้องแอบพลายให้ทันทุกขณะจิตที่เกิดโลภโกรธหลงใช่ไหมคะหรือควรน้อมเข้าอนนาตาเพื่อกำจัดสักกายะอย่างถาวรคะก็ให้มีไว้เพื่อมากำจัดความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลง เวลาเห็นอะไรแล้วเกิดความโลภ ก, ก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็จะได้หยุดความโลภได้เวลากโลกรธก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงหรือว่าเราเป็นเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไมา่มให้มาทำให้เรากโกรธไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ไปโกรธเขาได้คาถามจากคุณธรรมดาธรรมดาผมใช้คำบริกรรมพุทโธ จิตมันไม่รวมสักทีแต่ฟังธรรมหลวงพ่อพุทธนิโยท่านว่าตามดูจิตไปเป็นแต่เพียงผู้รู้ตามเฉยๆเท่านั้นรู้สึกได้ผลคือตามดูจิตมันคิดไปแต่ไม่เข้าไปตามยึดถือเอาสักพักจิตก็วุบลงเหมือนใจจะขาดหายใจไม่ออกมารวมนิ่งอยู่เฉยๆรู้สึกเบาสบายมากวิธีนี้ถูกต้องไหมครับ ไม่ได้บริกรรมพุทโธกวิธีไหนที่ทําให้จิตสงบก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละและรู้สึกเกิดปิติสูงมากเกิดจากความสงบจิตรวมเป็นสมาธิใช่ไหมครับอถ้ามันสงบแล้วเราต้องมาถามใคระะคะคําถามจากคุณผาสุกการแต่งหน้าไปวัดถือเป็นการไม่เหมาะไม่ควรเพราะสาเหตุอะไรบ้างคะ เพราวัดเป็นที่กำจัดกิเลสการแต่งหน้าทาปากนี่ก็เป็นการทำงานของกิเลสนั่นเองดงั้นถ้าเราไปวัดเราก็อยากจะไปกำจัดกิเลสเราก็ต้องทำไปทำตามวิธีที่พระเจ้าสอนให้เราทำก็คือกำจัดความหลงกับหน้าตาของเราร่างกายของเราเพราะถ้าหลงแล้วมันจะทุกข์เนงภายหลัง เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายไม่สวยไม่งามก็จะเกิดความรังเกีจในร่างกายของตนเองขึ้นมาทุกข์กับร่างกายของตนได้แต่ถ้าไม่ไปหลงกับความสวยงามของร่างกายเวลาร่างกายไม่สวยงามก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดอุม่แล้วมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะ นี้ก็คำถามจากทาง Facebook หรือ YouTube ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้คำถามจากทาง a c e b o o k นะครั บ, รบจากคุณครพร<อ>ปราวา ด, าวาดนะครับมีเพื่อนฝากกาเรียงถามว่ามีคนรู้จักกันมีเงินเป็นพันพันล้านไม่เคยทำบุญเขามองเรื่องการทำบุญ การไปกราบครูบาอาจารย์เป็นเรื่องตลกแสดงว่าเขามีบุญเก่ามามากๆชาตินี้เขารวยมากๆการรวยนี่ไม่แหมความว่าเป็นผลที่เกิดจากการทําบุญคนเรารวยได้หลายวิธีด้วยกันรวยด้วยการทําบาปก็มีรวยด้วยการช่อกงก็มีรวยด้วยสติปัญญาก็มีรวยได้โดยที่เกิดจากการทําบุญมาในอดีตก็มี ดังนั้นวิธีรวยนี้มันมีรวยได้หลายวิธีด้วยกันไม่ได้หมายความว่าคนรวยทุกคนนี้จะเป็นคนที่เคยทาบุญมาคาถามจากคุณชุตะมนนะครับการที่ชาตินี้เกิดมาเป็นสัตว์เช่นสุนัขแมวเนื่องจากชาติก่อนทำผลบาปมากกว่าผลบุญใช่ไหมคะแล้วถือว่าชาตินี้ พวกเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือเปล่าคะเพราะชาตินี้พวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้สร้างผลบุญเลยใช่ไหมคะก็เป็นการใช้กรรมที่บาปกรรมที่เราได้ทําไว้เหมือนกับเราทําผิดกฎหมายก็ถูกเขาจับไปค้ำคุกขังตารางพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาพอเราไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆพอพ้นกรรมแล้วบทบาปแล้วเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ คำถามจากคุณสมพรนะครับชาวบ้านจับปลาจับกบมาทำอาหารกินบาปไหมครับก็เป็นลักษณะของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อดารงชีพมนุษย์เราก็ถ้าทำแบบนั้นใจก็เป็นเดรัจฉานไปเวลาตายไปก็ได้ไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานจะไม่ได้เป็นมนุษย์ ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องดำรงชีพโดยการไม่ฆ่าชีวิตของผู้อื่นไม่ทำบาปคำถามจากคุณสิทธิศักดิ์นะครับข้อที่หนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของจิตหรือเปล่าครับคือเวทนานี้มันเป็นอาการที่อยู่ในจิตเป็นอาการของจิตที่มารับรู้ที่เกิดจากการมาสัมผัส ร, รับรู้ทางตาหูจมูกเล่นกาย เช่นเราเห็นภาพนี้ก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาสามแบบทุกขเวทนาถ้าเป็นภาพที่มันทําให้ตาเราเจ็บอย่างนี้เห็นแสงสว่างมากๆตาเจ็บก็เรียกว่าก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นภาพที่สวยงามก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นภาพที่เป็นกลางๆไม่สวยไม่งามไม่น่าไม่น่าเกียดน่ากลัวก็จะเกิด ความไม่สุขไม่ทุกเขเวทนาขึ้นมาเวทนานี้เกิดสามมีสามชนิดเกิดจากการที่ตาหูจมูกลินกายของเราไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาจึงทำให้เกิดเวทนาขึ้นมาข้อที่สองเมื่อจิตรวมเกิดตัวผู้รู้ผู้รู้นี่ใช่สติไหมครับแล้วสติเป็นส่วนหนึ่งของจิตใช่ไหมครับ คือผู้รู้นี่เป็ น, ปนผู้รู้ไม่ใช่สติสติเป็นผู้ที่ดึงผู้รู้ให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นดึงสติให้รู้เพื่อจะได้หยุดความคิดพอหยุดความคิดผู้รู้ที่ถูกความคิดกรบไว้ก็จะก็จะโผล่ขึ้นมาเปรียบเหมือนกับจอทีวีเราถ้าเราเปิด ทีวีขึ้นมาเราจะเห็นภาพบนจอเราจะไม่เห็นจอตัวจอเราจะไม่เห็นถ้าเราอยากจะเห็นตัวจอทีวีเราก็ต้องปิดทีวีพอเราปิดทีวีภาพที่บนจอก็หายไปเราก็จะเห็นจออย่างเดียวฉันใดผู้รู้นี่ก็เหมือนจอทีวีรู้อยู่ตลอดเวลาแต่มีความคิดปรุงแต่งมามาบังเอาไว้ จึงทําให้เราไม่เห็นผู้รู้เราไปเห็นความคิดของเราแทนพอเรามาใช้สติหยุดความคิดได้ความคิดหายไปก็จะเหลือแต่ตัวผู้รู้อผู้รู้นี้มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับจอทีวีนี้มีอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นจอทีวีเวลาที่เราเปิดทีวีเราจะเห็นภาพที่ปรากฏบนจอทีวี ฉันใดใจของเราก็เป็นผู้รู้แต่เราไม่เห็นผู้รู้เพราะว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราไปเห็นความคิดของเรากันถ้าเราอยากจะเห็นผู้รู้เราก็ต้องหยุดความคิดตัวที่จะหยุดความคิดก็คือสติตัวที่จะปิดทีวีเนี่ยปิดความคิดต่างๆหยุดความคิดต่างๆก็คือสติถ้าไม่มีสติมันก็ใจก็จะคิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด คำถามจากคุณจูนนะครับการพิจารณากายคตาสติในระยะเริ่มต้นได้เริ่มพิจารณา5สิ่งแรกค่ะคือผมขมขนเล็บฟันและหนังสำหรับผมฟันและหนังนั้นพอจะเข้าใจค่ะว่ามีความน่าเกลียดอย่างไรแต่สำหรับขนและเล็บนั้นไม่ทราบว่าจะพิจารณาว่าน่าเกลียดอย่างไรค่ะ เพราะนึกภาพแล้วมันไม่น่าเกียดหรือจริงๆแล้วควรพิจารณาอย่างไรคะความจริงการพิจารณาร่างกายนี้ก็เพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มันมีอะไรบ้างที่เริ่มต้นที่ห้าอาการเพราะว่ามันเห็นง่ายผมขนเล็บฟันหนังนี่เราเห็นได้อย่างง่ายได้เพราะมันอยู่ภายนอกแต่ส่วนอื่นเช่นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดนี่เห็นยากเราก็ต้องใช้การพิจารณาอย่างต่อเนื่องคือให้เริ่มต้นที่อาการห้าอาการก่อนคือร่างกายของเรานี้มีส่วนประกอบทั้งหมดสาสิบสองส่วนส่วนที่เราเห็นชัดง่ายก็คืออาการห้าอากา ร, 5, าการคือผมขนเในฟันแต่อาการอื่นเราจะเห็นได้ก็ต้องเวลาที่เราไปดู เขาผ่าศพกันเวลาผ่าศพเราก็จะเห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นอวัยวะต่างๆการให้เราศึกษาร่างกายเพื่อให้เรากำจัดความหลงที่คิดว่าตัวเราอยู่ในร่างกายเพราะถ้าเราชำแหละร่างกายออกมาแยกแยะร่างกายออกมาเป็นอาการต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่ามีเพียงอาการ32นี้เท่านั้นส่วนตัวเรานี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอ เช่นตัวเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าถ้าอยู่ที่ผมเวลาเราตัดผมทิ้งไปแล้วตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าถ้าขนหายไปแล้วเราเราหายไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยวิธีศึกษาเพื่อกําจัดความหลงที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเนี่ยก็ด้วยการกําจัดทีละชิ้นทีละส่วนไปเอาอาการแต่ละการออกมาแล้ว ถามว่าถ้าอาการนี้หายไปแล้วเราหายไปด้วยหรือเปล่าเราก็จะได้เห็นว่ามันเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราผู้พิจารณานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นผู้คิดผู้รู้นี้เองแล้วต่อไปเราจะได้ไม่หลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา <S <S เวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายไปกับเขาเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวเราเหมือนกับเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นนี่ไม่ได้เป็นตัวเรา เวลาเขาเป็นอะไรเราไม่วุ่นวายไปกับเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเราไม่ได้เป็นเขายันใดถ้าเรารู้ว่าร่างกายที่เราคิดว่าเป็นเรานี้ไม่ใช่เป็นเราเราก็จะไม่วุ่นวายเวลานี่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บหรือเวลาที่ร่างกายตายไปอันนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เห็นความความไม่มีตัวตนในร่างกาย แล้วการดูอาการต่างๆมันก็จะทำให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายไปด้วยความสวยงามของร่างกายก็เพียงอยู่ที่ผิวหนังนี่ อ, อยู่ที่ผมที่ขนและฟันนี่เองพอถ้าเรามองลึกเข้าไปภายใต้ผิวหนังแล้วไม่ว่าจะเป็นดาราภาพยนตร์นแบบนางแบบเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นกันสวยงามแต่เฉพาะภายนอก แต่พอพอเปิดดูข้างในแล้วมันก็เห็นแต่ส่วนที่ไม่สวยงามการที่เราต้องการดูส่วนไม่สวยงามของร่างกายเพื่อกำจัดกามอารมณ์ความอยากที่จะเสพกามกับเขาเพราะเขาสวยเขาหน้าดูหน้าชมเท่านั้นเองแต่พอเห็นว่าเขาเป็นเหมือนซากศพมองเห็นอาไว้ว่าที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ย ก็จะทำให้การอารมณ์นี้ดับไปได้การที่กำจัดการารมณ์นี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความจำเป็นเพราะว่าถ้ามีการอารมณ์แล้วใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุขแล้วใจก็จะต้องดิ้นไปเสดการารมณ์เพื่อดับการอารมณ์แต่การเสดการอารมณ์นี้จะไม่ดับการารมณ์อย่างถาวรดับได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวการมารมณ์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ ที่มันการมารมนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอเมื่อเรามีการมารมเราก็ต้องใช้ร่างกายเสร็จการมารมแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นร่างกายของบุคคลที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยว่าไม่ไ ม, ไม่นาดูหน้ากลัวน่าเกลียดดูกระเพาะลำไส้ของเขาดูตับดูไตดูหัวใจดูปอดดูโครงกระดูกของเขา ซึ่งมีอยู่เพียงแต่ว่าถูกผิวหนังนี้หุ้มห่อปกปิดเอาไว้เท่านั้นเองจึงทำน่าทาให้เราคิดว่าร่างกายนี้สวยงามแต่ความจริงถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นของที่ของที่ไม่สวยงามนี้ถูกหุ้มห่อปกปิดเอาไว้พอเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเราก็จะดับการอารมณ์ได้ เมื่อเราไม่มีการอารมณ์เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาเกิดใหม่ได้คําถามจากคุณธเนศนะครับวิปัสสนากับสมถะแตกต่างกันอย่างไรสมรถะก็คือการทําใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาวิปัสสนาก็คือการสอนใจให้ดับความอยากต่างๆเช่นการอารมณ์ที่จะมาทําลายความสงบที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากความสงบ พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงคนสวยๆงามๆก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการอารมณ์ความสงบความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยวิปัสสนาความจริงของร่างกายไปดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทําให้การอารมณ์ดับไปแล้วเราก็จะกําจัดความาทุกข์ที่เกิดจาก การตอบสนองการมารมณ์เพราะถ้าท ถ, ถ้ามีการมารมณ์อยู่ก็ต้องกลับมาเกิดกลับมาเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเราปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อดับความทุกข์ที่จะเกิดจากการตอบสนองการมารมณ์วิปัสสนาจะสอนให้เราเห็นความจริงของสิ่งที่เราหลงลักว่ามันไม่น่ารักไม่น่าดูเช่นร่างกายของเราคำถามจากคุณเอเจนะครับ นั่งสมาธิและถือศีลห้าและทำจิตใจให้สงบถ้าพิจารณาแล้วบางขณะจิตมีกิเลสก็จะตัดทิ้งไม่คิดต่อปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับโดยไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและไม่ได้สวดมนต์วิธีนี้จะถูกต้องไหมครับถ้าเราตัดกิเลสได้ก็ถือว่าถูกการปฏิบัติทั้งหมดนี้การไหว้พระสวดมนต์การศึกษานี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในการตัดความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นเองถ้าเราสามารถตัดความโลภความโกรธหลงได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาพระไตรปิฎกก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญก็ไม่มีพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญาของพระ อ, องค์เองศึกษาแล้วก็เอามาใช้มาตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงของพระ อ, องค์ แล้วพอพระ อ, อง์เอาวิธีที่ท่านใช้ตัด ก, กิเลสมาสอนก็เลยกลายเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาพวกเราที่ไม่รู้จักวิธีตัด ก, กิเลสแล้วก็อาศัยการศึกษาพระธรรมคําสอนของท่านที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเครื่องมือที่เราจะใช้ในการตัดความโลภความโกรธความหลงนี้มีอะไรบ้างก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่ถ้าเราไม่มีเราก็หามาสร้างมันขึ้นมา เหมือนกับเราจะสร้างบ้านนี้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็สร้างบ้านไม่ได้ถ้าเราอยากจะสร้างบ้านเราก็ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือหาวัสดุต่างๆที่จะมาสร้างบ้านฉันใดถ้าเราต้องการตัดทบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดตัดความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องมาตัดความโลภความโกรธความหลงและเครื่องมือที่จะตัดความโลภโกรธหลงนี้ได้ก็คือการทําทานการรักษาศีลการ จะเล่นสมาธิและปัญญานี่คําถามจะคุณธนพลนะครับทำไมนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วถึงยังนอนฝันอยู่เรื่อยๆครับเพราะใจไม่สงบใจยังคิดอยู่ใจก็ฝันได้เรื่องการนอนฝันแล้วไม่ฝันนี่เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับเปนไม่ได้เพราะเวลานอนนี่เราจะไม่มีสติคอยควบคุมใจ ดนใจมันอาจจะคิดเพราะมีอะไรข้างๆอยู่ในใจมันก็คิดต่อไปได้บางทีมันก็ไม่คิดถ้าไม่มีอะไรข้างๆอยู่ภายในใจและไม่ต้องไปกังวลก็เวลานอนหลับว่าฝันหรือไม่ฝันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้ได้ให้ได้ดับก็แล้วกันเพราะการนอนดับก็เพื่อต้องการพักผ่อนร่างกายเป็นหลักให้ร่างกายได้มเีเวลาพักผ่อนจะได้มีกาลังวางชาไว้ใช้ในวันต่อไป คำถามจากคุณโซโหนะครับการที่ชาตินี้โดนคนเอาเปรียบเกิดจากกรรมเก่าหรือเปล่าครับแล้วเราควรทําอย่างไรเพื่อจะให้ไม่ติดค้างกันก็มันมีหลายเหตุด้วยกันกรรมเก่าก็เป็นเหตุอันหนึ่งเราเคยไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเราก็อาจจะมาเจอคนเ้าเอารัดเอาเปรียบเราหรือว่าอาจจะเป็นข้อกรรมของเราที่มาเจอคนที่เขาชอบเอารัดเอาเปรียบก็ แต่นเรื่องอนิจังไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่เราจะไปกาหนดให้ตายตัวได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดนี่เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายถ้าเรารู้จักปล่อยวาง<ม>คือเราทำใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยของเราที่จะไปควบคุมบังคับได้เช่นฝนฟ้าอากาศนี่ เราก็เจอมันบางทีก็เจอน้ำท่วมบางบางทีก็เจอพายุบ้างแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันไม่เกิดได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทําใจเราให้รับกับเขาให้ได้คือทําใจเฉยๆใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆใครจะมาเอารัดเราเปียบเราถ้าเราทําใจเฉยๆว่าเราห้ามเขาไม่ได้เมื่อเรา เจอก็เหมือนกับเราเจ อ, เอาพายุเจอน้ำท่วมไปคิดอย่างนั้นไปแล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายคำถามจะคุณศิลวิทย์นะครับความแตกต่างระหว่างศีลแปดและศีลสิบครับก็เหมือนกันมีข้อเดียวเพิ่มที่ไม่ที่ศีลศีลแปดไม่มีก็คือการการการไม่จับเงินทองอันนี้สำหรับ สำหรับสัมมณีผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ครอบครองเงินทองถ้าจะมีเงินทองก็ให้ฝากไว้กับวัยาวัชกรลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้ให้เขาบริหารเงินทองให้เราคือไม่ให้ครอบครองไม่ถือไม่เอาพกพาไปไหนมาไหนด้วยตนเองถ้าต้องการจะใช้เงินทองในกรณีที่จำเป็นเช่นขาดจีวร ขาดยารักษาโรคก็บอกผู้ที่เขาถือเงินของเราให้เขาช่วยไปพิจารณาหาสิ่งที่เราขาดแคลนมาไม่ต้องการให้พระอยู่ใกล้เงินใกล้ทองเพราะจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตันหาไปแล้วจะไปซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคำถามจากคุณธเนศนะครับอยากทราบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุโรปครับ ก็ไปยุโรปเนี่ยคืมันเราอยู่ที่นี่เราจะไปรู้ได้ไงก็ลองค้นหาในก o เกิลดูก็ได้พุทธศาสนามในยุโรปใส่เข้าไปเดี๋ยวก็จะมีคําตอบโผล่ขึ้นมาถ้ามีข้อมูลเขาก็จะมีโผล่ขึ้นมาให้เราได้รู้สมัยนี้เราโชคดีมากเราอยากจะรู้อะไรได้นี่เราสามารถเข้าไปในกูเกิลได้ทันทีเลยแล้วข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็จะโผล่ขึ้นมา คำถามจะคุณพี่พัฒน์นะครับถ้าเราฝึกสงบกายและจิตทีละขั้นทีละขั้นจิตจะเรียนรู้ตามความเป็นจริงคือทุกกายใจใช่ไหมครับก็ต้องเรียนไปทีละขั้นปฏิบัติไปเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนไปทีละขั้นแล้วความรู้ต่างๆก็จะชัดเจนขึ้นไปตามลำดับตอนนี้คำถามหมดครับอาจารย์ คือสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ก็คือความทุกข์ใจของเราว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากอะไรแล้ววิธีดับความทุกข์ใจนี้ดับได้อย่างไรอันนี่คือคือเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาต้องการสอนให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ใจส่วนความทุกข์ทางร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้ ท่านก็สอนให้เรารู้ว่ามันเป็นความจริงที่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสอนให้ใจของเราไม่ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เราไม่สามารถไปหักห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้ปรากฏขึ้นมาได้ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เอง ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยให้ร่างกายแกย่แก่ไปตามธรรมชาติของเขาปล่อยให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามธรรมชาติของเขาปล่อยให้เขาตายไปแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคําถามจากคุณจูนนะครับสอบถามเรื่องกายาคติกายยคตาสติเพิ่มเติ ม, ตมจากเมื่อสักครู่ค่ะ ไม่ทราบว่าสามารถพิจารณาขณะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมได้หรือไม่คะหรือควรพิจารณาหลังจากออกจากสมาธิเดินจงกรมเสร็จแล้วคือกยายกตาสตินี้ ม, มีมีการปฏิบัติได้สองลักษณะคือการสร้างสติก็คือให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิ เช่นตอนที่เรากําลังทําอะไรอยู่ให้ผูกใจไว้อยู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้เรียกว่ากายกตาสติก็คือการสร้างสติด้วยการใช้การเฝ้าดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายใจของเราก็จะนิ่งจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ อันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติด้วยการเฝ้าดูร่างกายที่เรียกว่ากายกตาสติแล้วอีกส่วนหนึ่งของกายกตตาสติก็คือให้ศึกษาความจริงของร่างกายเช่นศึกษาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ศึกษาให้เห็นความเป็นอนิจจังของร่างกายแล้วก็ศึกษาดูความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย อันนี้ก็เป็นการการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาที่เกี่ยวกับร่างกายการพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ทามาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายนี้ตายไปก็เป็นการกลับคืนสู่ธาตุเดิมเท่านั้นเองกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่มีใครตาย ผู้ที่มาครอบครองร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ที่ไปต่อไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเพราะยังมีความอยากใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆแต่ถ้ากำจัดความอยากที่จะใช้ร่างกายได้พอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไม่มีการเกิดใหม่ เมื่อไม่มีการเกิดใหม่ก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายใหม่ตามมาคำถามจาคุณชัชวันนะครับขณะนอนหลับจิตไปไหนคือจิตก็อยู่ส่วนของจิตร่างกายก็อยู่ส่วนของร่างกายเวลาร่างกายนอนหลับจิตก็ไปตามอตามตามธรรมชาติของเขาบางทีเขาก็อยู่เฉยๆบางทีเขาก็ฝันดีบางทีเขาก็ฝันร้าย ถ้าเขาคิดดีเขาก็ฝันดีถ้าเขาคิดไม่ดีเขาก็ฝันร้ายการคิดดีการฝันดีฝันร้ายก็เกิดจากตอนที่เขามีชีวิตตอนที่เขาไม่ตอนที่เขาตื่นเวลาเขาไปทำอะไรต่างๆถ้าเขาไปทำบุญเขาก็จะฝันดีเวลาเขานอนหลับถ้าเขาไปทำบาปเวลาเขานอนหลับเขาก็จะฝันร้ายเพราะเหตุการณ์ที่เขาไปทำในขณะที่เขาตื่นนั้นจะถูกอัดไว้ในใจ แล้วพอเวลานอนหลับเหตุการณ์ที่เขาทำไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่กลายเป็นความฝันไปในเวลาเราทำบุญเราทำความดีเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันดีเวลาเราทำบาปเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายคำถามจากคุณปกติฉันเป็นคนเรียบร้อยครับเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยการเกิดนี้มันเกิดจากความอยาก สามส่วนคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าไม่มีกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะไม่มีการเกิด เ, เมื่อเกิดมาแล้วร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปส่วนใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ายังมีตัณหาทั้งสามอยู่นี้ก็ไปเกิดใหม่ก่อนจะไปได้ร่างกายอันใหม่อาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปก็ไปอบายส่วนต่างๆเช่นไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกเนี่ยจากท่านเดิมนะครับจะทำอย่างไงอย่างไรให้ดูลมหายใจทุกวินาทีคือความตายเพราะค่าน้อยป่วยความตายใกล้เข้ามาก็ให้เฝ้าดูลมหายใจแล้วก็ให้พูดให้คิดว่า ถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายความตายก็มีอยู่แค่ลมหายใจนี้เองไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตน่ากลัวอันใดถ้าหยุดหายใจก็ตายถ้ายังหายใจอยู่ก็ไม่ตายถ้าไม่อยากตายก็หายใจไปเรื่อยๆ อ, อย่าหยุดหายใจช่วงนี้หมดคําถามครับอหมดแรงพอดีเอ